ตอตนี้ไปกระผมจะขอญาตกรับคำอารัตนาพระสงค์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาดังต่อไปนี้สาธุพระมาจะโลกานทิปฏิสัมปฏิกัดอัญชลีอัญทิวรังไยาจะาทาสันติทัส ต, ตาปราชกชาติกานเทศเสตุ ฮัมมังอานุกรัรมปีมังปะชังต่อนี้ไปตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อเองเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุดรจากวัดป่านาคำน้อยออกจากวัดตั้งแต่ตีสีก่กว่าๆวันนี้แล้วก็เลยมาเปลี่ยนรถ ที่อำเภอพิมายเพราะว่าโซเฟอร์ของหลวงพ่อไม่ชำนาญทางมาคงไม่ถึงก็เลยเปลี่ยนโชเฟอร์ทางนครนายกจัดเซึงเซาไปรับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามาถึงที่นี่ก็ประมาณสี่มงกว่าสี่โมงเย็นแล้วสิว่าเดินทางไกลมากทีเดียววันนี้ แล้วก็ทราบว่าพอมาถึงทราบว่าหลวงปู่อุทัยเขาใหญ่กลับไปโอ้หลวงพ่อรู้สึกว่าถ้าหลวงพ่อมาถึงนะถ้าหลวงพ่อมาถึงมาเจอท่านก็คงขอกราบประทานานิมนต์ท่านท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของหลวงพ่อเหมือนกันคงจะได้กราบประทานาขอให้ท่านเป็นองค์แสดงธรรม พรท่านเป็นไปที่ไหนๆหท่านก็ได้แสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนฟังมามากต่อมากหลวงพ่อเองก็เคยได้ฟังธระเทศนาของท่านในงานนี้หลวงพ่อก็คิดว่าถ้าหลวงพ่อมาพบท่านในวันนี้ของหลวงพ่อก็คงจะการาบราัถนาท่านเป็นองค์แสดงธรรมแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อขอ ออกตัวไว้ก่อนนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับอะไรมวยสมัครเล่นลักษณะอย่างนั้นแหละมวยจำเป็นถ้าหากว่าสัตขณาสัตยายาดโยมหมู่พวกเพื่อนสธรมิกจะกราบอาราธนาให้นิมนต์ให้แสดงธรรมถ้าไม่มีองค์ไหนแสดง ก็แสดงได้แต่ถ้ามีองค์ไหนที่จะแสดงได้ก็ ข, ขอกราบระาตนานิมนต์องค์นั้นแสดงเพราะว่าอย่างที่ว่านี่ยนะถ้าหากว่าการแสดงธรรมการเทศนาว่าการเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรสําหรับหลวงพ่อเองนะแต่ถ้าหากว่ามีครูบาอาจาร อยู่เบื้องหน้าแล้วก็กล่าวประนราแต่เมื่อกี้นี่นะที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อที่หลวงพ่อกราบหรือหลวงพ่อยกมือไหว้ก่อนที่จะแสดงธรรมเมื่อกี้นี่ก็คือหลวงปู่สมหมายนี่ที่นั่งนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อนี่ก็เคยอยู่ด้วยกันกับหลวงพ่ออยู่ที่ภูจกก์จังหวัดมุกดาหารแต่ก่อนท่านเคยท่านเป็นครูบานะ แน่ครูบาอาจารยเป็นเป็นเนรเมื่อกาเป็นเนนใหญ่แต่ท่านก็เป็นครูบาแล้วหลวงพ่ออายุคงจะเป็น1ิ7เจ็ในช่วงนั้นแต่ท่านก็เป็นครูบาอยู่ใกล้อําเภอเหลืองนกทาแต่ข้ามาอยู่กับหลวงปู่ล่าจากนั้นอาตมาก็ได้บวชอาจมาภาพก็ได้บวชเป็นพระปี 0-8 แต่ท่านคงจะแก่พรรษาขโขลงพ่ออยู่ไม่ต่ํากว่าสามสี่พรรษาเนี่ยหลวงปู่สมหมายที่นั่งนั่งอู่ข้างหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะแต่หลวงพ่อเนี่ยก็บวชปีศูนย์แดบวชเป็นสมณเณรบวชเป็นสมณเณรพร้อมกับหลวงปู่ฟักของเราเานะี่แหละหลวงปู่ฟักของเราบวชปีสองพันห้าร้อยที่วัดอโศการามแต่ท่านพ่อรีเป็น จัดงานบวชปี 2,500 แต่หลวงพ่อก็บวชเป็นสมนเณนปี 2,500 เหมือนกันบวชที่จังหวัดพุกดาหารเป็นสมณนแต่หลวงปู่ฟักนะบวชเป็นพระนะวันนี้ก็ขอให้คณะสัทยา ญ, ญาติโยมได้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญหลวงปู่ของเราหลวงปู่ฟักของเรา มรณาภาพมาก็จะว่าเป็นร้อยวันวันนี้คนะำทําบุญครบร้อยวันถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งสําหรับคณะสิทธาิาณุสิ์ทั้งหลายทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสเมื่อเช้าก็ทราบข่าวว่าพระที่มาร่วมงานตั้งร้อยกว่ารูปนะอาจจะถึงส0งร้เหมือนกันนะ ที่หลวงพ่อได้ทราบมาก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในถิ่นนี้และจากถิ่นอื่นก็มาร่วมก็มากอยู่แต่ทางหลวงพ่อเองก่อนที่จะลงมาก็ได้ชักชวนหมู่พวกเพื่อนคณะที่เคยอยู่ด้วยกันทางวัดป่าบ้านตาดก็มองมองเห็นก็เห็นหลายองค์เหมือนกันที่มาร่วมงานในวันนี้ ถือว่างานวันนี้คืองานหลวงปู่ฟักของเราคือเป็นพี่เพื่อนพี่ของพวกเราเราก็ควรจะให้ความใส่ใจและความสนใจ เ, เพราะว่าเราก็นับถือหลวงตาบ้านตาด เ, าเป็นปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ท่านหลวงปู่ฟักก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งท่านหนึ่งวันนั้นพวกเรา น้องๆทั้งหลายเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ท่านร่วงรับดับขันไปก่อนพวกเราก็ควรจะให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อท่านบรรณาภาพไปแล้วตวันนู้นะวันที่จะไปชุมเพลิงหรือว่าวันพระราชทานเพลิงศพเราจะมาทีเดียวเลยรู้สึกว่าจะนานเกินไปมั้งหลวงพ่อก็ไเลยบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนแต่หลวงพ่อมาใน มาคราวนี้ก่อนเนี่ยอยากมากราบคาระวะเพื่อได้พบกับครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายและกคณะสัตทายญาติจมทั้งหลายเหมือนกันนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมเพื่อเป็นบูการบูชาพระคุณหลวงปู่ฟักของพวกเราเหมือนกันนะตั้งใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแห่ง ความคิดคือการแสดงธรรมมีมากลากหลายครูบาอาจารย์แต่ละท่านสุดแท้แต่ท่านจะจีบยกเอาทำคําสอนอันไหนมาแสดงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์มีมากเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่สุดแท้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ คณะสงฆ์จะหยิบเอาจุดไหนมาแสดงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่วันนี้หลวงพ่อก็คงจะเอาแนวนั้นเหมือนกันเพื่อจะนำมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะโมตัสสะภควะโตอระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพสังคาราทุกขาสัพเพธรร ม, มาอนัตตาติ อั ป, ปมาเดนะสัมปาเดถาติติวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกคณะทายาิโยมพระสงฆ์ได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อลำลึกถึงองค์หลวงปู่ฟักของพวกเราเพราะหลวงปู่ท่านมรณภาพตั้งแต่เดือนมิถุนาวันนี้นับว่าได้ร้อยวันคณะสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบรรพิตและฝ่ายคารวาสได้มาร่วมกันเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพในงานของศพของหลวงปู่ฟักของพวกเราพวกเราไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกซึ่งความกะตันจูกระตะเวที่ตาต่อองค์หลวงปู่เพราะหลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ได้ช่วยพวกเรามากมายหลายหลายอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นท่านมีเมตตามากสรุปแรกก็คือท่านเป็นผู้มีเมตตาท่านใจดีกับกับทุกคนแสดงออกถึงความมีน้ำใจกับลูกกับหลาน พอนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราก็ควรจ ะ, จะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาเพราะท่านเป็นผู้เป็นบุพการีในส่วนหนึ่งบุพการีผือคือบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาในองค์ท่านเพราะว่าการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตานี้ มีหลายระดับอ่ามีหลายระดับคือระดับหนึ่งอย่างองค์หลวงปู่ฟักของเราถือว่าท่านเป็นผู้มีความกระตัญยูกะตะเวทิตาในหลายระดับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดคืออันดับแรกท่านแสดงความกระตันยูต่อพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ ใน้ตัดสู้พระธรรมแล้วก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นกัพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ของเราท่านก็นอบน้อมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจจากนั้นท่านก็สแสดงความกตัญญูต่อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คือแผ่นดิน เธอการปกครองประเทศชาติที่จะร่มเย็นเป็นสุขมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้เห็นได้ยินตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทรา t ิ i พ่อขุนรามกําแหงที่ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองจากท่านก็กรุงศรีอยุธยาจากนั้นก็มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ล้วนแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาอันนี้พวกเราก็แสดงความกตัญญูเอ่อถ้าเพราะท่านเป็นบุพการีในระดับหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นบุพการีในระดับหนึ่งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เป็นบุพการีในระดับหนึ่ง พวกเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทิทาคือจงรักภักดีต่อท่านผู้มีอุปการะคุณที่รักษาประเทศชาติปานเมืองให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอันดับที่สามก็คือพ่อแม่ของพวกเราคือบิดามารดาอันนี้คือบุพการีอีก พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตายอย่างไรกับพ่อแม่ของพวกเราเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือพวกเราที่เป็นลูกควรจะแสดงความกตัญญู ต่อบิดามารดาของพวกเราอันที่4ก็คือเราแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุปชาอาจารย์อันนี้คือส่วนหนึ่งพวกเราได้บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยพระอุปชาต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ให้ธรรมะผู้แนะนำธรรมะให้แก่พวกเรา พวกเราเมื่อได้ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านเป็นผู้มีอุปกรณเป็นบุพการีสำหรับพวกเราพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตากับครูบาอาจารย์กับพระอุปัชฌาย์อย่างไรนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องได้คิดเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาเมื่อท่าน ในครูบาอาจารย์เนี่ยพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเมื่อเห็นพระครูบาอาจารย์เข้ามาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถามด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอันนี้คือวความแสดงความกตัญญูกับครูบาอาจารย์ น, ยนี่แหละมีหลายระดับ แต่มาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่ฟักของเราเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรารู้สึกว่าท่านจะสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งเป็นผู้จงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตวิทิตาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ต่อบิดามารดาของท่านอย่างบิดาหรือมารดาของท่าน ตกรท่านประจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตากพอทราบข่าวว่าโยมพ่อโยมแม่ของท่านที่อยู่นี่แหละเขาน้อยสามผ่านท่านก็มาอยู่ที่นี่จากนั้นท่านก็มาดูแลรักษาโยมบิดามารดาของท่านผู้อยู่ใกล้ชิดจะรู้ได้ว่าหลวงปู่ฟักของเราเนี่มีความกตัญญูกตวิทิตาต่อโยมพ่อโยมแม่ของท่านขนาดไหน หลวงพ่อฟังแล้วยังซึ้งใจได้ยินประวัติของท่านคือสมัยท่านเมื่อมาอยู่พอคุณพ่อของท่านนอนแล้วท่านพลิกตัวไม่ได้หลวงปู่ฟักน่ไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนท่านจะไปปลุกพวกพยาบาลเอาพิกไงญ้าด้วยนะพิกยายด้วยนะพิกตาด้วยนะใกล้ประทุกสองชั่วโมง พรากลัวเขาจะลืมอันนี้แหละคือความกระตันอยู่ของหลวงปู่ฟักหลวงพ่อได้ยินแล้วซึ้งในใจหาได้ยากมากท่านเป็นพระแต่ว่าท่านเป็นพระเป็นผู้มีกระตันอยู่กตเวทีตาต่อผู้มีอุปการะราคุณอย่างนี้หาได้ยากเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสิทธิ์ทั้งหลายควรจะยึดหลวงปู่ฟักของพวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่าง ในการแสดงความกระตันอยู่กตะเวที่ตาจากนั้นท่านก็แสดงความกะตันอยู่กตะเวที่ตาต่อครูบายจานของท่านอย่างที่ท่านเคารพกราบไหว้หลวงปู่ลีวัดอโศการามอย่างนี้อ น, นั้นท่านก็เคารพอย่างสุดๆจากนั้นก็ครูบายจานที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าท่านท่านก็แสดงความกตันอยู่ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์หลวงตามหาบัวท่านแสดงความกตัญญูอย่างสุดๆดจุดนี้พวกเราไปด้วยท่านไปกราบพร ะ, ะกับหลวงปู่ฟักไปกราบองค์หลวงตาแล้วพวกเราจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของหลวงปู่ฟักกับองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงตามหาบัวนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสรุปแล้วท่านไม่ได้ขาดตกบกพร่อง ในการแสดงความกระตันยูกระตเวทิตาต่อผู้มีอุปการะคุณกับองค์ท่านนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาหลวงปู่ฟักเป็นตัวอย่างการแสดงความกระตันยูนะและ้วก็หลวงพ่ออยากจะโพูดแนะนำส่วนหนึ่งก็คือความพร้อมเพียงสมัคคี ของพวกเราท่านทัน้งหลายการอยู่ด้วยกันมีมากมายหลายๆอย่างมีมากมายหลายหลายคนแต่บางคนบางท่านอาจจะมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันแต่ถึงยังไงก็ให้มีมีเมตตาเป็นหลักในจิตใจเพราะว่าการทํางานก็ดีการอยู่ด้วยกันมากมายไม่ว่า ไม่ว่าที่ไหนไหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าวัดนี้วัดนั้นหลวงพ่อพูดภาพรวมเลยว่าประเทศชาติของเราประเทศชาติไทยของเราควรจะมีความพร้อมเพียงสมคัครีการพร้อมเพียงสมคัครีคํานี้ถ้าว่าพวกเราหันหน้าขว่าหากันมีอะไรปรึกษาปรารบกันถ้าจะใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เอามาเป็นกระจกเงาหรือเอานำมาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่าก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะทำคําสอนของพระพทุทธเจ้ามีหลายระดับที่แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้ว่าอภปริหาริยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียกอภปริหานิยนธรรมมียุจิ มีอยู่เจอย่างมีเจ้อข้ อ, อ, อข้อที่หนึ่งเธอว่ า, ม, ามันประชุมกันเนืองนิดถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันให้ประชุมกันหันหน้าข้อหากันถ้าหากว่าหันหลังให้กันแล้วมีแต่ความแตกแยกสมคีถ้าว่าหันหน้าข้อหากันใครผิดใครถูกใครมีความเห็นอย่างไรแล้วก็หันหน้าข้หากัน เรื่องราวทั้งหลายก็จะสงบลงได้เนี่ยพราะพระไตรเจ้าท่านพูดท่านตรัสไว้อย่างนั้นมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมกันทํากิจที่สงศ์จะพึ่งทําคือเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิกไม่ใช่ว่าพอเลิกประชุมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ซุบซิบซุบซิบซุบซิบนินทาค่ะแต่ในที่ประชุมก็ไม่พูดกันว่า ทำไมไม่พูดกันในที่ประชุมในเมื่อเลิกประชุมแล้วทําไมมาเอามาซุบซิบกันไออันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็พูดในในที่ประชุมเมื่อเลิกกันก็ไปว่าเลิกเนี่แหล ะ, ะเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิกและพร้อมกันทํากิจที่ตกลงกันไว้ที่จะต้องทําจากนั้นก็เคารพภิกษุที่เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์ เชื่อฟังถ้อยคำของท่านแล้วก็ไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่ที่ที่เกิดขึ้นและก็ยินดีในความสงบเอ่อตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสัมมาเนนที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ก็คืออปริหานในธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้สำหรับให้พระสงฆ์อยู่ด้วยกันหรือคณะทายาิโยมอยู่ด้วยกัน หรือประเทศชาติจะอยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันทางว่ามีไม่แตกแยกสามัคคีกันแล้วจะหาความสงบ พ, พร่อมเย็นเป็นสุขไมได้มีแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมีแต่เรื่องประหรัตประหารซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าแตกสามัคคีกันในหลักธรรมของพระพทุทธเจ้าท่านย้ำอีกว่าสารานิยธรรมทำเป็นที่เป็นเครื่อง จะให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือมีอยู่หกมีอยู่หมีหกพ่อท่านบอกว่าเข้าไปตั้งกายกรรมกายกรรมประกรอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยจิตเมตตาเช่นรักษาพยาบาลภิกษุไข่เป็นต้นด้วยจิตเมตตาให้ข้าว่าเมื่อภิกษุสามเณรมีอุปสรรคเก็บไข่ได้ป่วย ก็เข้าไปดูแลเข้าไปรักษาด้วยกายยะกรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งพัจีกรรมประกอบด้วยเมตตาคือคำพูดถ้าว่าองค์นั้นเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกับพระธรรมวินัยก็เข้าไปเพื่อว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยให้เข้าใจให้ถูกต้องในหลักธรรมวินัยด้วยจิตเมตตาคือไม่มีการอิจฉาพยาบาท อาฆาดจองเวรต่อกันนะคือเมตตาหรือแค่ว่าเมตตาเป็นหลักเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมมนเนธทั้งต่อหน้านและรับหลังอันนี้ก็คือใจที่มีเมตตาเข้าไปแนะนำสั่งสอนแล้วก็มีความเห็นเสมอกันกับภิกษุสัมมนเนธอื่นใครค้าไม่มีความเห็นผิดกันและรักษาศีลบริสุทธ เหมือนภิกษุสั ม, มเนนอื่นและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสั ม, มเนนไม่หวงไว้ใช้เฉพาะตัวเองส่วนตัวเมื่อได้ลาบมาแล้วก็แบ่งปันให้แก่ภิกษุสั ม, มเนนสรุปแล้วคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้มีความพร้อมเพียงส ม, มัครีในหมู่ในคณะ แต่ว่าพวกเรามีความแตกแยกสมคีกันอย่าไปโดดเด่นคนหนึ่งคนเดียวนั้นคนนั้นจะหาความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าการแตกแยกสมคีกันจากนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้มากมายเป็นชาดกก็มีในชาดกก็น่าคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าถ้าว่าเราสอนเป็นคำพูดธรรมดา อาจจะความจำของเราอาจจะไม่จำไ ม, ไม่ชัดเจนแต่ถ้าว่าเราได้นำชาดกหรือนิทานหรือว่านิทาน500รชาติเนี่ยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ได้สอนไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเรานำมาวิเคราะห์หรือนำมาใช้เข้ากับยุคสมัยพวกเราก็เป็นแนวความคิดจำได้ง่ายอีกเหมือนกันเพราะเฮราย เพราะนิทานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวแต่ถ้าาว่าเราเป็นพูดเป็นคําไปแล้วก็หายไปจบไปแต่ถ้าเราเป็นนิทานมันเป็นเรื่องเป็นราวนะพวกเราก็จะจําได้อันนี้หลวงพ่อจะสาธกให้ฟังเพื่อให้พวกเราเป็นแนวทางเป็นแนวความคิดการอยู่ด้วยกันมากมายไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้คือมีความต้องการมีความพร้อมเพียงสามัคคีทุกครั้งทุกยุคทุกสมัย แต่ถ้าว่าพวกเรามีความแตกแยกสา ม, มัคคีกันแล้วจะหาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นกลุ่มนั้นบุคคลคนนั้นหรือว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามถ้าว่ามีความแตกแยกสา ม, มัคคีกันแต่สมัยเด่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีมีภิกษุสองกลุ่มออคงจะกลุ่มใหญ่พอสมควร ลล 500, ก, นะลกลุ่มละห0าฟังฟังดูในพระไตรปิฎกนะแล้วว่ากลุ่มละห0าแต่ภิกษุสองกลุ่มนั้นก็ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนแต่พระทั้งพันองค์นั้นดูดูแลจะเป็นพระปุตุชนแต่ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ท่านก็รักษาธรรมวินยัยแต่พระสองกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งเป็นธรรมกรถึกคือธรรมกระถึกคือนักเทศ เ, เวลาอบรมคณะสิทธิอนุสิทธิของตนเองก่อพรฒน์อภิธรรมพูดอย่างนั้น เ, เรื่องพระสูตรพูดอย่างนี้ท่านจะพระพุทธองค์ตรัสไว้ที่ไห น, นธรรมะกระเถิกนี้จะนำมาแนะนำสั่งสอนสิทธิของท่านตั้ง500องค์แต่อีกองค์หนึ่งที่เป็นหัวหน้าอันนั้นวินยทอนวินัยทอนคือรักษากฎระเบียบคือรักษาวินย คือรักษากฎหมายพูดง่ายรักษากฎหมายของพระคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้ผิดนะสิน227รนะ่เน่ะตั้งแต่สินส2งีตั้งแต่ศิกาบทที่1จนถึง227พระพุทธเจ้าตรัสเพื่ออะไรอยู่ที่ไหนใครเป็นคนกระทาพระพินัยธรท่านจะนำมาบอกกล่าวสิทธิ์ของท่านตอนนี้ท่านต่างคนก็ต่างแนะนำสั่งสอนสิทธิ์ของตัวเองอยู่ในกุงโกสัมพี จากนั้นวันหนึ่งเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะขอให้คณะศนระัทธา ญ, ญาติโยมที่ฟังในวันนี้ในฟังู้วยซีว่าพระจะทะเลาะกันนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องนิดหน่อยไอ้<ม>นคนจะทะเลาะกันนะไ ม, ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้นคนโบราณเขาเรงว่าน้ำพึ่งหุดหยดเดียวะน้าพึ่งหยดเดียวคนจะทะเลาะกันคือมันเรื่องไม่ใหญ่คือวันหนึ่งพระพระวิเนทร พระธรรมกรถึกคือพระนักเทศที่สอนเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยขึ้นเข้าไปในห้องน้ำสมัยนั้นห้องน้ำก็คงจะเป็นห้องน้ำปล่อย่ไม่เหมือนห้องน้ำน้ำซึมอย่างทุกวันนี้เพราะว่าในพระวินยัยท่านสอนท่านบอกไว้ว่าอย่าสวมรองเท้าขึ้นไปในห้องน้ำแล้วก็ไปให้ปัดกวาดใช้ใช้ห้องน้าทำยังไงยังไงโอ้ท่านผูดละเอียดมาก แต่ท่ท่านก็บอกว่าเมื่อใช้เมื่อเข้าใช้ห้องน้ำแล้วเอาน้ำชำระตัวเองแล้วให้ควา่าให้คว่ำน้าในกระป๋องทิ้งและก็คว่ำกระป๋องเอาไว้อย่าค้างน้ำไว้ในกระป๋องภิกษุใดก็ตามถ้าขังน้ำไว้ในขันหรือในกระป๋องที่ตัวเองชำระตัวเองแล้วไม่หมดนะขังไว้ปรับอวบัดทุกกฎพระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะว่า ก่อนหน้านี้พระสงฆ์เข้าไปในห้องน้ําพอเข้าไปแล้วพอใช้ละน้ํากักขังไว้ในในกระบอกในกระบอกหรือในขันองค์ที่เข้าไปในกําลังเกียดว่าเอ๊ะทำไมองค์นี้น้ำเนี่ยมันสกระปรกหรือเปล่าเพราะองค์นั้นเอาไปใช้แล้วมีอะไรดุจตรนใส่ขันหรือเปล่าแล้วไอ้องนี้ก็ไปก็ไปเททิง้งก็เป็นที่ลาคาญขององค์ที่สองเข้าไปเพตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยนะะวินพวนะินยัยบัญญัติ มากนะกฎหมายของของพระนี่นะถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าละเอียดขนาดนําในกระบอกท่านยังปรับอบัดยังเป็นโทษแงแต่พระทรงเข้าไปในเมื่อใช้น้ำแล้วไม่คว่มขันทิ้งปรับอบัดทุกกฎในเมื่อพระพุทธองค์บัญญัติแล้วถึงพระธรรมมัคตึกท่านก็ไม่ไม่รู้เพราะซิกขาบทนี้พระธรรมมัึกท่านไม่ได้ พระมรดิสนใจเรื่องวินัยท่านสนใจแต่เรื่องธรรมะแนะนําสั่งสอนแต่ใ น, นเพื่อท่านเข้าไปเสร็จแล้วต่อพอออกมาพระวินัยถอนหัวหน้าวินัยถอนก็ขึ้นไปเข้าไปในห้องน้ําเข้าไปเอาไปเห็นน้ําในขันอ้าวทำไมพระธรรมกึกเนี่ยทําไมไม่คว่ำขันในถ้าพระไม่คว่ำขันน้ําทิ้งในขังไว้ในน้ําในขันปรับเอาบัตรทุกอดนะทาไม พอองนั่งพอเข้าไปใช้ห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาลงถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทํ า, า, าทไมไม่คว่ำขันน้ําทิ้งพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยนะเอ่อถ้าว่าองค์ไหนเข้าไปใช้ห้องน้ําแล้วไม่คว่ำขันเออไปคว่ำขันน้ําปรับอบัติทุกกฎทางธรรมก็ถือกรยอมผิดเออใช่ผมไม่รู้เองนะครับอาจารย์ผมขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆผมยังไม่ได้รับ บอกกล่าวมาวินัยในข้อนี้เออรู้ซะนี่แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วครับผมต่อไปผมจะไม่ทำเพียงแค่นั้นละ่ะก็น่าจะจบนะแต่ทีนี้องค์วินัยทอนะอยากจะได้หน้าทีนี อ, อก็มาเอราพระธรรมมากระถึกเนี่ยขนาดเป็นพระเถระที่เป็นหัวหน้าจ่าฝูงแท้ๆสอนบริวารทั้งห้าร้อยพระวินัยเพียงแค่นี้ก็ไม่รู้ออดูิขึ้นไปในห้องน้า ไปขังน้ำไว้ในห้องน้ำพะพระเทพเจ้าบัญญัติแล้วปรับอบัดทุกกฎก็ยังไม่รู้ตัวเองเป็นอาบัตดทีนี้พอไปพูดให้ลูกน้องตัวเองฟังลูกน้องตัวเองก็เลยพูดเย้ยให้ลูกน้องอีกองค์ธรรมก็ถึอฟัง่อาจารย์ของแกเนี่ยเรียนสอนแต่รมไม่ได้สอนวินยัยกดและเปียบไม่สอนขนาดตัวเองขึ้นไปปรับ เป็นอาบัตทกกฎก็ยังไม่รู้ทีนี้ก็มาพูดให้อาจารย์ธรรมกระถึกฟังทีนี้อาจารย์ธรรมกระถึกก็บอกว่าเอาเราก็ได้บอกอาจารย์วินัยทอนแล้วนะว่ า, เ, าเราไม่รู้ผมไม่รู้พระวินัยจุดนี้วินัยทอนก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอาจารย์ไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้แต่บัตดนี้ทําไมอาจารย์วินัยทอนว่าข้าพเจ้าเป็นอาบัติ แสดงว่าพระอาจารย์วิเนธรน์พูดสับประพูดโกหกผมเป็นอาบัติทุกกฎเพราะว่าไม่ได้คว่ำน้ำในถังแต่ว่าอาจารย์วิัยธรเป็นอาบัติปาจิตติสูงกว่าถ้าใหญ่กว่าหนักกว่าเพราะพูดไม่อยู่ก็ร่องก็รอยพูดโกหกเนี่ยนี้คณะสิทธิ์ตั้งห้าอยคนก็ทกเถียงกันเลยตอนี้ทกเถียงกันไปทกเถียงกันมานี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพอท่านได้ยินท่านก็ห้าม เรียกพระทั้งสองกลุ่มมาพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นพ้นดีใครขอให้ท่านพวกท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพียงสมัครคีกันใครผิดใครถูกกัของเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทําไมจะไปถือโกรธเครืองถึงขนาดนั้นมันไม่ถูกต้องนะมันจิบหายมันไม่ถูกต้องออถ้ามีการทะเลาะกันอย่างนี้พราะพระองค์ท่านก็สอนแต่มีพระ บอกว่าขอพระ อ, องค์ขอพระพุทธองคอ์อยู่ด้วยความพระสํารานเถิดพระเจ้าค่ะพวกผมจะห้ามหันกันเองด้วยวาทะขนาดนั้นแหละคนที่มันคนที่มันจะทะเลาะกันะพวกผมจะห้ามหันกันด้วยวาทะใครจะเก่งกว่ากันแต่นี้พระพุทธองค์บอกมันไม่ใช่ไม่ใช่มันมันจะเสียหายแต่พระนนมันเสียหายวงการอย่างที่ว่าคนในชาติทะเลาะกัน ใครเป็นคนจิบหายชาติเป็นผู้จิบหายอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระสงฆ์ทะเลาะกันพระพุทธาศาสนาเป็นผู้จิบหายเถพระพุทธองค์ก็ห้ามยาย่ายินดีในการทะเลาะกันผลที่สุดไม่ฟังพอไม่ฟังนั่นแหะปีนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าเสด็จหนีออกจากพระสงฆ์ไปอยู่ที่ป่าเรียกว่าป่าเลไลพวกเราเห็นช้างกับลิงที่นั่งพระพุทธองค์นั่งเหมือนกับนั่งก้อนหิน นั่งย่อนพระพอบาทเนะี่ยลิงกับช้างเข้ามาคนละข้างกันถวายอาหารพระพุทธเจ้ถวายน้ําพึ่งรวงพึ่งกับพระพุทธเจ้านั่นแหละปีนั้นแหละพระพุทธเจ้าหนีจากสงฆ์กันสงฆ์แตกกันนี่ที่กโกงโก้สมพีจากนั้นพระสงฆ์พอแตกกันถึงได้พระ อ, องค์กดข้ามยหนีออกไปเดินออกไปเลยเดินออกไปแต่นี้เดินไปไปเจอ อีกวัดหนึ่งเป็นเป็นวัดพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยการหกรูปคือพระกิมพริวคคุพระถิยะอนุรถะพระส5หองค์ที่ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าอันนี้ท่านรวนแล้วจะเป็นพระอรหันต์ท่านอยู่ในป่าพระองค์ก็แวะไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนในในในลายทางพระพุทธองค์ก็บอกว่าโอ้พระกงโกสัมพีเนี่ เราห้ามไม่ฟังเราแนะนําแล้วไม่ฟังเราเ อ, อแนะนําสั่งสอนอยังไงก็ไม่ฟังเราก็เลยได้หนีออกมาเนะ่ยอย่ายินดีในการทะเลาะกันน้าถ้าว่าทะเลาะกันเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความชิบหายมันเคยมีมาแล้วในอดีตตะการในอดีตตะการคือการทะเลาะกันเนี่ยมันเคยเกิดเคยมีมาแล้วมันมีแต่ชิบหายอย่างเดียวพระสงฆ์ มีพระกิมภริวัคคุอนุรุทธะเนก็ล้กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าขา่าที่ว่าทะเลาะกันและกิบหายเนะี่ยพวกท่านทั้งหลายอยากจะฟังเหรออยากจะฟังพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์อะไรยกเป็นชาดกขึ้นมาอีกทีนี่ท่านบอกว่าสมัยหนึ่งมีนกกระจาบอยู่ฝูงหนึ่งหลายพันตัวแต่โดยมากจะไปไปกินที่ลงที่สนามหญ้า หรือว่าสนามกว้างๆหรือลานที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ลงไปกินหากินมเมล็ดพืชมเมล็ดข้าวาลงเป็นฝูงก็งั้นแ ต, แต่นกฝูงนั้นมีหัวหน้าอยู่ตัวเดียวคือฟังหัวหน้าอยู่ตัวเดียวถ้าหัวหน้าบอกว่าบินให้สัญญาณบมกบินก็บินแตหัวหน้านาไปลงที่ไหนนกฝูงนั้นก็ไปลงที่นั่นทีนี้ ต่อมาต่อมามันก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเพราะนกเหล่านั้นมีหัวหน้าอยู่ตัวเดียวนะพ่อต่อมาที่นี่อรองหัวหน้านี่แข็งข้อที่นี่คล้ายๆกับว่ามันคนจะทะเลาะกันอย่างที่ว่านกจะทะเลาะกันมันก็เหมือนกับคนคือกิเลสกิเลสความมักใหญ่ไฟสูงมันมีในจิตใจของของขอ ง, ของนกที่รองหัวหน้าเรมนกันทีนี้ก็พอหัวหน้าสังว่าเอาบิน ลองหัวหน้าหัวหน้าโอหากินหมูพวกเพื่อนยังหากินยังไม่เพียงพอตัวเองกินอิ่มแล้วก็ไปก่อนมันก็ใช่ได้สิตัวเองกินอิ่มแล้วอคนตัวเองบางตัวยังไม่ได้กินก็ยังมีอยู่ทําไมไม่ดูให้ทั่วถึงซะก่อนไอ้ไอ้บางตัวที่เชื่ อ, อซอาซก็คงเออใช่ลองหัวหน้าได้พูดถูกไงนี่แหละเทนี้ก็แค่ข้ามมันแตกเป็นสองแล้วทีนี้ อหัวหน้าเห็นแก่ตัวเอเห็นบุกน้องเลยก็ลองหัวหน้าเออจังนี้สิจังมีน้ําใจะเอหัวหน้าลองหัวหน้าเนี่ยอันเนี้ยมีน้ําใจแต่หัวหน้าเนี่ยเออไปว่าเห็นแก่ตัวเพราะหัวหน้าก็ต้องลงบินลงก่อนเพราะบินลงก่อนก็ต้องเอาเออจะไปช้าๆได้ยังไงจะทําให้ถูกใจทุกตัวได้ยังไงนกเป็นเป็นพันนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นะทีนี้ต่อมา คือสมัยนั้นก็มีพานนกเหมือนกันเธนี่มันมีพานตาข่ายเหมือน น, น่ะตาข่ายดักนกเน่ะเออเหมือนกับร่างแหลักษณะนมันใหญ่ใช่เขาคนดักเอาไว้แต่นี้พอนกฝูงนั้นลงไปกินในลานหญ้าพอลงปุ๊บเออตาข่ายมันก็ปิดป๊อเออมันกระตกมาเลยเัมือนนแต่พอกระตกมาตะครอนหน้านี้เนี่ยคือหัวหน้าเนี่ยเป็นคําสั่งหัวหน้าตัวเดียวเออหัวหน้าบอกว่าบิน บินคำว่านกเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นมันบินพร้อมกันปูขึ้นไปเลยตาข่ายของนายพานเนี่ยนู่นไปอยู่ยอดไม้เหมือนกันเลยมอเป็นกําลังมันพอเลยนายพานไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันเหมือนกันแต่แปลว่านกบินเอาตาข่ายขึ้นไปอยู่ตนบนยอดไม้แต่นกบางกลุ่มนะนเนี่ยนายพานเอาไปกินไม่รู้เท่าไหร่ทศต่อเท่าไหร่แล้วแต่นกฝูงนี้เนะี่ย แปลว่าเสียตะข่ายไปไปหลายครั้งเหมือนกันแต่แต่ทีนี้พอต่อมาทีนี้พอนกแตกเป็นสองสองหัวหน้าทีนี้พอไปกินพอลงสนามหญ้าพอลงสนามหญ้าพอหัวพอตะข่ายมันปิดปุบแอค่อมอย่างเก่าหัวหน้าก็สั่งนะบินไอรองหัวหน้าก็บอกว่าไม่ต้องบินนะเราพวกเราไม่ต้องบินเอาไข่เก่งไข่บินนะ แต่เนี้ยหัวหน้าก็บินน่เนียพาลูกน้องบินบินก็มันมันกำลังไม่พอเพราะเอะมันไม่ไม่ทั้งฝูงเนี่ยผลที่สุดก็อ่อนแรงหยุดพอหยุดทันั้นก็ลองหัวหน้าเอา้าพวกนั้นไม่เก่งพวกเราบินมันก็บินไม่ขึ้นอีกอย่างเก่าเพราะว่ามันกําลังไม่พอมันไม่พร้อมเพียงสำมัครีกันผลที่สุดก็นายพรานพรานนกก็มาถึงพอดีแล้เสาก็ชัก ใหญ่เข้ามาตีนตาข่ายเข้ามากันรวบซะพอรวบเสร็จแล้วก็ค้อนเขากับตีไปตีมามุดไปมุดมาผลที่เสุดกตายหมดทั้งฝูงเลยทีนี้อยู่ในตาข่ายจากนั้นนายพานเขาก็ถอนคนซะเอาลงกระทะเป็นอาหาร อ, าา ร, อร่อยๆของนายพานทั้งหมดเพราะเหตุอะไรเพราะนกแตกสัมมาคีกันพระพุทธเจ้าการแตกสัมมาคีกันนะชิบหายตายทั้งฝูง เพราะนั้นให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันจะดีที่สดุดเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธองค์จเจ ด, ดีให้ท่านตรัสให้แก่พระเถระที่นั่งฟังจากนั้นท่านบอกว่าการพยาบาทอาฆาตจองเวร ก, ก, ก็เหมือนกันถ้าว่ามีการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็จิบหายอีกเหมือนกันพระสงฆ์ทั้งเหล่านั้นก็บอกสมัยไหนพระเจ้าค่ะที่ว่ามีการ พยาบามอาาาดจองเวรกันแล้วจิผัายพวกท่านทั้งหลายอยากจะฟังอีกเหรอพระเจ้าข่าท่านว่าสมัยหนึ่งมีป่าดงแห่งหนึ่งแล้วก็มีหมีป่าหมีใหญ่ตัวหนึ่งเป็นเจ้าป่าในหากินอยู่ในละแวกนั้นหมีป่าตัว น, นั้นก็นหากินอยู่ในละแวกนั้นวันหนึ่งหมีป่าหากินในป่าแล้วพอจวนสว่าง มันก็หาที่นอนหาที่พักผ่อนมันก็ไปนอนอยู่ที่โคลนต้นไม้สะคออยู่ในป่าอยู่ในโคลนไม้สะคอพอนอนเสร็จแล้วกิ่งไม้สะคอมันแห้งนะ่ะกิ่งไม้แห้งเอมันก็นหลดลงมามาถูกหัวหมีเห็ะนีหมหัมีกำลังจะนอนหลับเนี่ยมันก็โมโหขึ้นทีโอโหทาไมไม้สะคอต้นนี้ เออมันทําไมไม่หล่นมันทําไมหล่นใส่ใส่หัวเข้าไปเจ้ามันทําไมไม่หล่นไปที่อื่นเอาเถอะถาว่าข้ามีโอกาสมีช่องเมื่อไหร่ข้าจะจัดการกับไม้ตะเคอต้นนี้ให้มีมันโมโหแล้วก็เดินตุวมเตียมไปนอนที่อื่นเนีในใจได้ว่าคิดแหละจะต้องตัดไม้ตะเคอต้นนี้ลงให้ได้แต่นี้ก็พอไปนอนเนอจากต่อมากระสายสายขึ้นมาเนีมีชาวบ้านเท่ห์ พวกในพวกในบ้านในเมืองเขาก็เลยเขาอยากจะได้แอกรถถึงไงแอกรถงอนรถบองการะเขาก็เดินเข้าไปในป่ามีเลื่อยมีขวานมีทับสัมภาระเพื่อจะเตรียมไปเพื่อจะไปตัดไม้ในป่าเพื่อจะนับทำมาเป็นงอนรถแต่ในคนคนนั้นเขาก็เดินเข้าไปช่างช่างงอนรถเขาก็เดินเข้าไปในป่า พอเดินไปหมีก็เห็นเยเออคนนี้เขาคงจะต้องการไม้เนี่ยดูเห็นเขามีเลื่อยมีขวานพร้อมเลยหมีก็เลยเดินตุ่มเตี้ยมเข้าไปบอกว่าคุณมาอะไรเอแต่พวกเราจะไปคิดว่าหมีพูดได้นะเอออันนี้คือนิทานเพราะพูดพุทธเจ้าจะสอนคนว่างต่ะเออหมีอาจจะเป็นหมีหมีพิเศษก็ได้ว่าไนต่ะหมีก็ถามว่าคุณมาอะไรคนก็ตอบว่าข้าพเจ้าต้องการไม้ ที่จะทําเป็นแอกรถและงอนรถในป่าเนี่ยหมีก็บอกว่าเออไม้อยู่ในป่านี้ข้าพเจ้าเท่องมาในป่าดงนี้ไม้ที่เนื้อเนื้อแข็งเหมาะสมที่จะเป็นงอนรถและแอกรถได้เนี่ยข้าพเจ้ามองมองไม่เห็นไม้อื่นเนี่ยไม้ต้นนี้่ไม้ที่ข้าพเจ้าที่จะไปบอกเนี่ยเป็นไม้นะที่เนื้อแข็งเหมาะสมที่จะเป็นแอกรถงอนรถได้ คนทั้งหลายก็เออข้อดีหมีก็เลยพาอา่ะตามหลังมาหมีก็เลยพาไปก็ไปชี้ไม้ต้นสกอตต้นนั้นแหละนี่แหละไม้ต้นนี้แหละเป็นไม้ที่เนื้อแข็งเหมาะที่จะทําเป็นแอกรถงอนรถได้แต่ทีนี้ไม้ต้นสกอไม้สกอตต้นนั้นมีลุขะเทวดาอยู่ในนั้นทีนี่ลุคเทวดาโอ้โหหมีตัว น, นี้ทําไมมันทําไมมาผูกผูกอ้าคาด อาฆาตพยาบาทเราถึงขนาดนี้ธรรมดากิ่งไม้ไม่ให้หลงหล่นลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนมันต้องหล่นลงดินแต่นี้หมีตัวเนี้เอ้มันพูดอย่างนี้มันพยาบาทอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะเอาเถอะถ้าฆ่าในช่องเมื่อไหร่ฆ่าจะจัดการกับหมีตัวนี้ไหลูกค้าเทยวรากับผูกอาฆาตกับหมีตัวนั้นอีกเหมือนกันพอต่อมาอพอจากนั้นนายช่างเขากับปด <The ir> เครื่องท่าผสมภาระลงจากบ่าเขาแเสร็จัดการโค่นไม้ต้นนั้นลงพอโค่นไม้ต้นนั้นลงเสร็จแล้วเขาก็ถากเลยไงตัดให้ได้ขนาดของเขาแล้วก็ถากให้ได้สัสดส่วนพอถากอะไรเสร็จเรียบร้อยจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพร้อ ม, อมที่เขาจะแบกกลับบ้านได้ลูกเทวดาก็แปลงตัวเป็นมนุษย์มาเลยไง mm. <the ir> <the ir> ในช่า ง, <the ir> ง <the ir> จะทำในช่างทําอะไรเนี่ยโอ้ทําแอวกรถงอนรถเอ จนจะเสร็จแล้วหรอครับจะเสร็จแล้วอยากจะให้งอนรถสวยงามไหมอยากจะให้งอนรถของคุณสวยงามไหมอยากจะให้สวยสิแ น, น่อยากจะให้สวยจะไปยากอะไรเอาหนังหมีนะหุ้มนะเอาหนังหมีหุ้มโอ้สวยงามดำมืมเลยหละไม่มีใคร ipping, ท, ที่จะทำได้เหมือนของคุณถ้าเอาหนังหมีหุ้มมันจะสวยนะหนังหมีมันมันอีกต่างหากดำอีกต่างหากในช่างก็บอกว่า จะให้ผมหาหนังหนีที่ไหน่ะมาหุ้มครับเอลุคเทวดาตอนั้นก็ได้ช่องพอดีนั่นเอ๊ะหมีมันนอนอยู่นั่นนะไปก็ย่องย่องไปก็ขวานสับหัวมันเลยเหมือนกันสับศีรษะมันเลยพอสับตอนแล้วมันก็นทะลกหนังมันออกมาจากนั้นก็เอาหนังมันกลับไปบ้านไปหุ้มจะไปยากอะไรมันก็สวยงามเท่านัะนะ้นนี่แหละจากนั้น นายช่างก็อย่างปฏิบัติอย่างที่ลุกขะเทวดาบอกก็เดินย่องย่องไปหมีก็ได้พูดได้สมใจของตัวเองก็นอนหลับไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเลยนอนหลับกุ้ยเลยแบบนั้นเถอะผลในสุดนายพระนายช่างก็เดินย่องย่องเข้าไปได้ก็ขวานสับศีรษะเลยแบบนั้นเถ อ, เ อ, อหมีก็เลยตายพอตายเขาก็เลยถลกหนังจากนั้นก็ได้ทั้งแอกรถได้ทั้งหนังหมีแบบนั้นเถะ กลับเข้าไปบ้านเลยพราะพระเจา้าถวานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผูกพยาบาทอาฆาตกันไม่เป็นผลดีจิบหายทั้งสองอย่างจิบหายทั้งสองฝ่าย เ, าเหมือนกับหมีหมีกับไม้สะพ อ, อแล้วก็การแตกแยกสามัคคีกันก็มีความจิบหายเหมือนกับนกกระจาบที่แย่งกันเป็นใหญ่ผลที่สุดก็จิบหายทั้งฝูง นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านแนะนำพระสง์ในยุคสมัยนะั้นท่านพูดเป็นชาดกเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสิทธิานุสิตเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำมาคิดนำมาพิจารณาการแตกแยกสมัมภารีกันในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานที่อยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ควรจะ อหยนหยวนหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันอันนั้นแหละดีที่สุด เ, เพราะว่าพวกเรามีความผิดถูกด้วยกันทุกคนให้เราคิดว่าเออชีวิตของพวกเราไม่ถึงร้อยปีหรอกต่างคนก็ต่างจากไปต่างคนก็ต่างไปแล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพวกเราก็ควรจะหันหน้าขอหากันควรจะปรึกษาปราัรบกันนี่แหละถ้าว่าพวกเราทุกคนคิดได้อย่างนี้เอ โลกทั้งโลกหรือว่ากลุ่มของเราครอบครัวของเราวงสาคนาญาติของเราก็จะไปสพแต่ความสุขความร่มรื่นไม่มีอะไรที่จะร่มรื่นยิ่งกว่าร่มของญาติทำไมร่มของญาติจะร่มรื่นแต่ถ้าว่าญาติแตกสามัคคีกันแล้วไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าพวกคณะญาติทั้งหลายแตกสามัคคีกันนี่แหละเพราะพระเจ้าท่านสอน แกสอนพุทธทบปริษัทเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกัน น, น้องนุ่งทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันก็ขอให้มีความพร้อมเพียงสมัครีให้รักกันเอาไว้ถ้าว่าสิ่งไหนที่จะมันจะแตกสมัครีเออย่าพูดเออย่าคิดอย่าพูดและอย่าทำํำทั้งที่เรารู้รว่าสิ่งนี้เอมันทุกแต่เราพูดไปแล้วมันเสียหาย อย่างนี้ก็ไม่ควรจะพูดเพราะพูดไปถ้ามันเสียหายจะได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าว่าพูดไปแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อวงสาคนาญาติต่อครูบาอาจารย์ต่อพระศาสนาต่อที่ประชุมที่มันจะเกิดขึ้นอ น, นันเราก็ต้องพูดในที่ประชุมแต่ถึงจะเป็น ถ, ถึงจะพูดถูกขนาดไหนแต่ว่าพูดไปแล้วมันเป็นผลเสียหายในที่ประชุมหรือว่า กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำให้เขาเสียใจอย่างมากในเมื่อเราพูดไปแล้วจุดนั้นเราก็ต้องระวยงระวังแต่เราก็ต้องอย่างว่าเหมือนกันคือบางสิ่งบางอย่างเราจะให้ถูกใจทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องบวกลบคูณหารดูก่อนว่าการที่จะพูดออกไปสิ่งนี้มันจะเสียหายไหมถ้ามันมจะเสียหายเราก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ตงพ่อได้กล่าว เรื่องเป็นชาดกให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือถ้าสรุปลงแล้วก็คือหมวดของศิลคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลป์เรว่าการอยู่ด้วยกันคือกฎ ม, มีกฎ ม, ม, มีเกณฑ์มีกฎระเบียบมีวินัยวินัยก็คือกฎหมายฮะไม่เป็นไม่เป็นอย่างอื่นเพียง <unt> แต่เราว่าศิลป์ตนเองสภาวะศิลป์ก็คือกฎหมายนั่นแหละ แต่ถ้าว่าเราจะว่ากฎหมายมันก็เหมือนทางโลกเกินไปแล้วก็เปลี่ยนว่าสินสินของพระพุทธเจ้าสิน227เอ่อสินอภิสมาัจาร์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ส่วนธรรมที่นี่ธรรมนี่คือความถูกต้องคือความเป็นธรรมคือความนึกคิดแต่จุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องของศินนั่นก็คือการอยู่ด้วยกันไม่ให้มีมีเรื่องมีราวเท่านั้นเอง แต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องธรรมธรรมคือคําสอนที่สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติแนในแนวความคิดนแนวความคิดเนี่ยคือกายกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่เป็นสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาในวันเดือนหกเพน เนีที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเพระพระพุทธเจ้าได้ไปศึกษาค้นคว้าศึกษาดูเป็นเวลาถึงหปีค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจหรือเรื่องของนา ม, มาธรรมเนี่ยจนพระพุทธองค์วันสูตรสํำเร็จก็คือวันเดือนหกเพนที่จะได้นํำทำคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยคือพระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่า พระ อ, องค์นั่งสมาธิทำจิตให้สงบในวันเดือนหกเพนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกจิตใจของพระ อ, องค์หรือปัฏฐัยของพระ อ, องค์ความรู้ของพระ อ, องค์รวมลงเป็นหนึ่งพอรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์ก็มียานาทัศนะเกิดฌานขึ้นมา ท่านจากนั้นเมื่อเกิดฌานขึ้นมาวเนี่ยว่าปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติคนหลังได้นี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกก็คือระลึกชาติทนหลังได้ท่านมองเห็นด้วยว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับคนขับรถในเมื่อรถมันเสียมันลูกสูซติดหรือยางแตก หรือสายพานขาดอยู่ในรถรถมันเสียใจไหมพวกเราคิดว่ารถมันเสียใจไหมรถไม่เสียใจแต่คนโชเฟอร์เนี่ยเจ้าของของรถเนี่ยเสียใจเอเราจะหาที่ไหนเราจะใช้ใจ่ายยังไงเราจะซ่อมแซมยังไงกับรถของเราเแต่รถเนี่ยมันไม่ได้เสียมันไม่รู้สึกอะไรนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าหาว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นมะเร็งเอหรือว่ามันเป็น วันนั้นโลกหรือเป็นอะไรก็ตามในร่างกายร่างกายมันไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจอะไรแต่นามธรรมาคือใจของเราเนี่ยเสียความรู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะว่าร่างกายจะแตกไปเสียแล้วจะต้องล้ม้มสลายตายจากใจไปเสียแล้วนี่เราเสียใจใจเสียใจบางกันแต่แต่ร่างกายมันไม่รู้จักนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปแยกออกถึงขนาดนั้นะ เวลานั่งภาวนาจิตใจเขาสู่ความสงบแล้วจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันเนี่ยแต่พระ พ, พระพุทธองค์ยืนยันอย่างนั้นที่พระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาจากนั้นท่านก็ได้นำทมคำสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์นามาประพฤติปฏิบัต ก็เห็นรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จนมาถึงยุคสมัยของเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านด้นด้านไปภาวนาอยู่ป่าโดงพงไพยอยู่ในถ้ำเอออยู่ในป่าช้าในที่กลัวกลัวอย่างนี้ที่ okay ท่านไปภาวนาเนื่อเมื่อท่านภาวนาแล้วจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบ เมื่อสงบแล้วท่านก็รู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระหันสาวกในยุคสมัยนั้นท่านก็พูดเป็นคำเดียวว่าเออร่างกายในแตกตายสลายแน่แต่ฟิญญาณคือใจตัวรู้รู้รคือนามธรรมาตัวนี้ไม่ตายนะเออต้องปฏิสนธิต้องไปหาเกิดที่อื่นอีกนะนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอีกเหมือนกันแล้ ว, วก่อนที่ท่านจะทำพระพุทธเจ้าท่านทาอย่างไรเนี่ย อันนี้ท่านก็ได้ไดแนะนําสั่งสอนว่าก่อนที่เราจะได้ตัสรู้ธรรมเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักเมื่อจิตรวมสงบแล้วเราจึงรู้ได้จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ได้นํธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าว พวกเราอย่างสิทธิ์ยามุสิทธิ์อย่างสายหลวงปู่มั่นท่านก็นจะแนะนําว่าให้ภาวนาพุทธโธเนอะให้ภาวนาพุทธโธนีอันนี้คื อ, คอท่านมานำมาประยุกต์ใช้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านนํามาประยุกต์ใช้แบบหายใจ กำหนดลมเฉยเฉยมันมีช่องว่างที่จะทำให้จิตใจของเราหลุ ด, ลดเล็ดลอดออกไปได้เออมันอาจจะเล็ดลอดออกไปได้มันไม่อยู่เพราะนั้นให้กำหนดให้มีสองเข้าไปด้วยนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทธโทพุทธโธอ่าให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกอย่าเพ่งมองไปทางอื่นแต่บางท่านบางคน ลูกหลานบางคนบอกเอ อ, เ อ, อผมภาวนาก็จริงอยู่แต่มันไม่รู้ลมมันเข้าที่ไหนมันออกยังไงเพราะผมผมไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติมาก่อนหลวงพ่อเคยแนะนำนะแนะนาว่าเวลาหายใจเข้าเราภาวนาครั้งแรกๆนะ่ะ เ, เรานั่งอยู่ในที่สงบมุมสงบนะอาจจะอยู่ในห้องพระหรืยจะในห้องมุมสงบแต่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธินะี่เราควรจะปิดวิทยุโทรศ ทัดแต่โทรศัพท์ไว้ก่อนในช่วงนั้นพอเราจะจะดูใจของตนเองเนี่ยแต่ถ้าเรามีโทรศัพท์อยู่บางทีมันอาจจะมีเก๊งขึ้นมาเนี่ยเราก็เสียสมาธิแล้วเพราะนั้นเราต้องปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุปิดโทรทัศน์แล้วก็ในช่วงนั้นก็บอกกล่าวทางลูกทางหลานท้ง ผู้เกี่ยวข้องด้วยเอออย่ามาใกล้ผมนะเดี๋ยวผมจะนั่งภาวนาจะนั่งทําความสงบสักหน่อยแล้วก็ปิดประตูแล้วก็นั่งภาวนาเลยกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทธโธก่อนที่จะบนั่งภาวนาให้ไหว้พระก่อนก็ดีนะไหว้พระก่อนอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนนโมตตะพุทธทางธรรมังสังขังเราไม่ต้องพูดมากก็ได้แต่ว่าเรา แผ่เมตตาสะก่อนนะข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาหรือเราจะว่าสัพเพสตาสดาโหนตุอเวลาสุขชิวิโนอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นคําออกมาว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นเราค่อยนั่งสมาธิ คือทำให้จิตใจของเราอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อก่อนไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ผูกอาคาดพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดในไตรโลกธาตุนีเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนพุทธบริษัทสีของพระองค์ไว้ว่าถ้าว่าเรายังมีการจองเวรอยู่เวรจะไม่ละงับถ้าว่าเราไม่จองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเพราะนั้นเราจะจองไปเพื่ออะไร ต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปแต่บางครั้งมันอาจจะมีบ้างอามากระทบกระเทือนกันทีเขาทีเราแต่ทียังไงเรามาพบได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราควรจะให้อภัยกันให้มากที่สุดดีที่สุดนี่แหละก่อนที่เราจะนั่งนั่งภาวนาก่อนที่เราจะนั่งภาวนาให้เราแผ่เมตตาเสก่ขขอนจากนั้นก็ น, นั่งละใช่ไหมนั่งอยู่ในมุมสงบของบ้าน จากนั้นก่น อ, กอนที่จะนั่งประนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนปนมคือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งก่อนยกปนมมือขึ้นไหว้อกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงแล้วเราก็แผ่เมตตาอย่างที่ว่าเนี่ย ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นชัดอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิอะไสัมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทในใจเนีไม่ต้องพูดออกปากนะเอีแต่ว่าก่อนที่เราจะบุกภาวนาเนี่ย ผมไม่รู้ว่าลมมันเข้ายัางไงให้หายใจแรงๆหลวงพ่อแนะนํานะ อ, อ, อันนี้คือหลวงพ่อแนะนำว่าหายใจแรงๆเลยสูดลมหายใจเข้าทางจมูกแรงๆสักครั้งหนึ่งด้วยสองสมสี่ห้าครั้งหายใจออกแรงๆว่าลมกระทบที่ไหนลมกระทบที่ปลายจมูกน่ะมันกระทบที่ปลายจมูกข้างไหนตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างหรือชานจมูกเราก็เอาจิติจจับอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปถึง ปอดและไม่ต่างไม่ต้องตามลมออกไปให้อยู่ที่ปลายจ ม, มูกเท่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูคนเข้าไปเราก็รู้ว่าคนเข้าคนออกมาเราก็รู้ว่าคนออกให้ยืนอยู่ข้างประตูอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกให้ยืนอยู่ที่ข้างประตูคือให้ยืนให้เอาจิตจับอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถเนี ถ้ารูพวกเรารู้แล้วว่าการภาวนาหรืการปฏิบัตินั้นถ้าเรารู้แล้วไม่อยากปฏิบัติอย่างที่อาตมาภาพได้บอกกล่าวนี่ยนะนี่แหละคือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่พวกเราที่รักเคารพนับถือจากนั้นเราก็นั่งภาวนาพุโทโธนั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้นานเท่าที่จะเอาจนเหลืออดเหลือทนจะค่อยออกนะี่ยเวลาเรานั่งหลายครั้งต่อหลายหน เวลานั่งภาวนาจิตใจมันจะไม่อยู่ทีเดียวนะมันจะซอแวบไปบางทีเรานั่งพุโทโธสองสามครั้งสองสามคำาตนั่นแหะมันไปที่ไหนก็ไม่รู้มันหายเงียบไปพอมันหายเงียบพอเรารู้สึกคือว่าอ้ามันไปที่ไหนกลับมาอีกพุโทโธพุโทโธพุโทโธมาอีกไปอีกหายเงียบอีกพอเรารู้ได้อา้ากลับมาอีกดึงมาอีกพุโทโธพุโทโธที่ปลายจมูกอีกนี่แหละถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อยากจะให้จิตใจของเรา เขาสู่ความสงบอีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยอันนี้คือเรามีความตั้งใจจากนั้นเวลาเราพุโทโธพุโทโธ ต, ตั้งใจตั้งจิตให้เข้มแข็งึ้นเดี๋ยกไม่ให้มันเผลอทีอกาหนดลมหายใจเข้าดูแต่อย่าไปเก่งอย่าไปกึงนะอย่าไปเพ่งมันมากถ้าเพ่งมันมากมันปวดศีรษะอันนี้ขอแนะนำอย่าไปเพ่งมันเวลานั่งภาวนาให้เป็นธรรมชาตที่สุดนะเพียงแต่ ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้ลมผ่านจมูกเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะฉนั้นเราให้มีสติเพียงแต่ารู้ว่าลมหายใจผ่านเข้าไปลมหายใจผ่านออกมาแล้วก็พุทโทพุทโทพุทโทเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธ น, นี่แหละให้เราดูแต่พวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิชัไม่เหลือวิสัยใจของเราจะเข้าสู่ความสงบมันสงบมันเป็นยังไง พวกท่านทั้งหลายก็คงจะจะรู้เหมือนกันว่าจิตสงบนั่นคืออะไรอันดับแรกเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่มหรือมันเหมือนกับเผลอเออเหมือนกับเราเผลอสติไปแต่มันก็วบ้บเออจิตใจของเรามันมันเหมือนกับมันลืมมันลืมตัวเออแต่ว่ามันมันเหมือนกับมันลืมแต่มันไม่ใช่ลืมอันนั้นคืออาการของจิตสงบมันเพียงแต่ว้บเดียวเท่านั้นนะ่ะใจของเรารู้สึกว่าเย็น เย็นวาบเข้าไปในหัวใจลึกๆเลยแต่มมื่อถอนออกไปเ อ, อมันเพียงวาบเดียวทันก็ออกไปอันนี้ท่านจัดว่าเป็นคณิกะสมาธิให้ว่าเป็นจิตสงบรวมเพียงครู่หนึ่งขณะหนึ่งเ อ, อของจิตอันนี้แปลว่าจิตรวมเ อ, อที่ว่าปุบอคณิกะสมาธิอันนี้ก็คือเราไม่ต้องสนใจถึงมันเป็นยังไงมันเป็นไปแล้วเราไม่ต้องนํามาคิดอีก มันผ่านไปแล้วอย่านํามาคิดอีกนะถ้าอยากจะให้มันเป็นมันจะไม่เป็นไอ้ที่ฟังเอาไว้เสมอเมื่ออยากจะให้มันเป็นมันจะไม่เป็นแต่เราต้องหาใหม่อีกละเรากําหนดใหม่อีกเราไม่ต้องสนใจละมันเป็นยังไงมันเย็นวับไปเย็นวับเราไม่ต้องสนใจเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตั้งให้จิตติเข้มแข็งอีกในเมื่อเรามีความเข้มแข็งในสติของเราใจของเรามันจะรวมเข้ามันลึกเข้าไปกว่านั้นอีกเลยมันไม่ใช่ว่าธรรมดา มันสติสติกับจิตเนี่ยควบคุมกันใจของเราเนี่ยเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราจะควบคุมควบคุมสติควบคุมจิตดวงนั้นมันคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ทั้งหมดทีนี้เมื่อเรามีสติควบคุมจิตแล้วใจของเราก็จะจะมีจะมีความรู้สึกมันคิดเรื่องอะไรเราก็รู้เราได้ยินเสียงอะไรเราก็รู้แต่มันไม่ไปตามเสียง ที่เราได้ยินแต่สติควบคุมจิตว่าจิตอยู่ก็ใช่ใช่ไหอสติกับจิตที่ควบคุมกันอยู่ดูกันอยู่นี่แหละจิตประเภทนี้ถ้าเราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือเดินทางเดินวิปัสสนาอันนี้จะเกิดประโยชน์เมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแต่ทั้นั้นเมื่อเรามีความพยายามแล้วก็ดูดูขณะที่จิตที่เป็นอุปจารสมาธิ ไม่ให้มันทะเลถลไม้ไปทางอื่นพยายามขูดควบคุมดูใจของเรากาหนดให้เข้มแข็งขึ้นกำหนดลมหายใจเข้าออกดูจิตมันจะรวมลงเป็นลงขาวนี้มันไม่ไม่เหมือนขา่ขาวที่สองนะมันลงข่าวที่สามเนี่ยเป็นมันจะไม่ไม่มีความรู้สึกเลยทีนี้ว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราไม่รู้ว่าเรานั่งที่ไหนแล้วก็เสียง ที่เราได้ยินเสียงรถเสียงลาเสียงอะไรก็ตามมันจะไม่ได้ยินไปว่าร่างกายของเราหายไปหมดมีแต่สติกับจิตเท่นั้จิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือจิตรวมเท่านั้รวมเป็นหนึ่งได้วหมรวมประเภทอย่างนี้เลย ว, ว่มจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแปลว่ารวมสูงสุดของสมาธินี่จุดถึงเพีย ง, เ พ, ยงเพียงเท่านีนะ้คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิคือจิตรวมลงเป็นหนึ่ง อมีสติสติเป็นอนใดจิตเป็นนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็น น, นั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ณนะสถานที่ใดเสียงทั้งหลายไม่ได้ยินในขณะนั้นแต่มันก็บางทัน้นบางท่านก็ไม่ได้นานนะบางท่านก็ไม่นานอประมาณแค่สามสี่ห้านาทีถึงสิบยี่สิบนาทีจิตใจก็ถอนออกมาพอถอนออกมาก็เป็นอุปจาระสมาธิ แต่ถอนมาจนถึงเป็นขณิกะจากนั้นก็ถอนเป็นจิตธรรมดาแต่ทีนี้เมื่อเราถอนออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถามใครเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นสมาธิหรือเปล่าไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองขณะที่จิตรวมเป็นสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิมีความสุข เข้าทำรองที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรายอมกราบพระพุทธเจ้าเลยโอโ้พระพุทธเจ้าพูดถูกจริงๆทําไมมีความสุขถึงขนาดนี้เนี่ยอันนี้พวกเรายกมือไหว้พระพุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าจึงรู้จรงิงเห็นจริงอย่างนี้เราเพียงจิตสงบเพียงแค่นี้เราก็ยอมรับแล้วว่านัตติสันติปรังสุขขัง ค, ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัส สงบจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นอนไรสติเป็นอ น, น, นั้นนี่แหละอันนี้ว่าจิตสงบพรมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็รู้ได้โดยตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเท่นี่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วอันไหนตายอันไหนเกิดอันไหนเกิดอันไห น, นตาย ร่างกายเนี่แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นามธรรมาคือจิตใจดวงเด่นๆนั้นน่ะคือว่าสติเป็นอะไรจิตเป็นจิตเป็นนั้นน่ะตัวนั้นไม่ตายเห็นได้ชัดด้วยตนเองบอกเลยโอ้นี่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกหรื อ, ร อ, รอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปบําเพ็ญมานั้นท่านมองเห็นตัวนี้เองว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดเลยเกินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่กายกับใจ นี่นี่หละก็รู้ได้โดยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมพวกทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้พูดไปนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจะพื่อปฏิบัติให้จริงให้จังพวกเราจะรู้จริงเห็นจริงเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ของเล่น ถ้าปฏิบัติจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอันนี้แหละคือนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจากนั้นจะจะทำยังไงเทนี่เมื่อจิตสงบแล้วจะจะเดินยังไงอีกต่อไปอันนี้ก็คืออาจจะมีคำถามผู้ที่เคยทำสมาธิมาแล้วที่นั่งที่มาม า, มากตอมากในวันนี้ หลวงพ่อมั่นใจว่าผู้ที่ทําจิตใจให้สงบคงจะมีคงจะรู้ว่าจิตสงบนั้นเป็นยังไงแต่ทีนี้มาเดินวิปัสนาคําว่าเดินวิปัสนาคํานี้กว้างขวางมากนะทีนี้นะไอ้เดินปัญญาคํานี้นะ่ะมันมีมากหลากหลายเหลือเกินพระในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านที่ท่านภาวนาท่านภาวนาที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมีมากมายแต่สรุปได้ไอ้อย่างก็คือว่า แต่ละท่านนั้นท่านเห็นอนิรจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็คือสรุปได้ได้ได้เพียงเท่านั้นที่อันนี้คือจุดใหญ่แต่ในกรที่จะภาวนาทำจิตใจให้สงบนั้นมันมีกี่อย่างในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อวันแนะนำเลยว่าพุทโธพุทโธแต่ตามไม่จริงดีมากนะกรรมฐ า, านทั้งสี่ กรรมฐานสี่สิบนี่ก่อนยังไม่ใช่ยังมากกว่านั้นอีกแต่จะทํำยังไงจึงจะทําจิตให้สงบได้เอเมื่อทําจิตให้สงบได้จะทํำยังไงเอที่จะจะจับจิตให้อยู่สรุปแล้วก็คือกรรมฐานสี่สิบเนี่ยคือลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ ย, ยจมูกของเรา เ, เป็นหลักใจของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นลิงลักษณะอย่างนั้นนหะแต่ว่า กรรมฐานสี่สิบหนึ่งเป็นโซ่หรือเป็นเชือกที่จะมัดลิงให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเราจะมัดด้วยวิธีอย่างไรเนี่ยอันนี้แหละที่จะทับมัดให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกต้องใช้กรรมฐานใช่ไกรรมฐานอย่างที่อาจมาภาพได้บอกกล่าวนี่ว่ากรรมฐานสี่สิบเียกว่าหลวงปู่มันทว่าเอายึดพุดโทโธเอาพุโทโธเป็นเชือกเอาเอพุโทโธเป็นเชือกยึดกรรมฐาน อันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านแนะนำแต่เรามาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมแต่มายุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราจนบางท่านบางคนก็สับสนไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าเราจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้รับ การเรียนรู้ด้วยการศึกษาที่กว้างขวางแต่ตามไม่จริงเท่าที่ท่านผู้รู้แล้วท่านวัดองค์ไหนจะสอนยังไงก็สอนเถอะไม่นอกเหนือจากเจติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมบางท่านกขว่ายกน้อพองน้อบ้างบางทีก็เพ่งดวงแก้วบ้างบางทีก็ภาวนาทําให้ยกแขนขึ้นลงบ้างอย่างนี้ไปตน้นมีมากมายหรือว่าดูกําหนดจิต ความนึกคิดของตนเองบ้างอันนี้กือสรุปแล้วก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือคือกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือเรากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดกายใช่ไหมเอียยุบหนอพองหนอกายใช่ไหมยกหนอก้าวหนอกายใช่ไหมมันเป็นเรื่องของกายทั้งหมดอ่ยเวลาเราเดินเราก็ขาขวาพนขาซ้ายโถ อมีขาพุทธขาขวาพุทธขาซ้ายโทรก็ยังมีพ่นพูดอีกว่าทําไมเอเราก้าวเดิน่เออเาพุทธใส่ใส่ฝ่าเท้าของเราเอาใส่ตีนของเรานะ่ะใส่ฝ่าเท้าของเราในก้าวขาเดินเ่จะไม่เป็นการเหยียบย่ํำพระพุทธเจ้าเหรอเอเพราะว่าเราเราเร า, เราภาวนาพุทธโธรกับขากับก้าวเดินของเราอันนี้ก็มีคนถามมีคนสงสัยขึ้นมาอีกเอา้าใช่ พอเราเอาพุทโธมาใส่ในการเดินของเราแต่ตามพร่จริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านจะเดินโยมโกลมเท่านก ว, ว่าให้ขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาเดินนะเวลานั่งให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเวลาเดินให้ขาขวาพุทธขาซ้ายโธแต่อย่าเดินเร็วอย่าเดินช้าให้เดินตามปกติเป็นการการเปลี่ยนริยาบท การเดินคือเหมือนกับเดินเราไปบินทบาทอย่างนี้เราเดินทําหน้าที่การงานเดินธรรมดาจะไปเดินช้าจะไปเดินเร็วอันนี้ก็คือการเดินอันนี้ก็คือเดินเดินกลับไปเดินกลับมาให้เป็นระยะทางให้กําหนดทางว่าทางที่เราจะเดินจงกลมนั้นเป็นที่ราบเรียบเป็นที่ปลอดคนไม่มีไม่คนไม่พุกผ่านเป็นเเป็นส่วนตัวจากนั้นก็ยาวประมาณจัก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 อันนี้ก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็มือลงในระหว่างทองน้อยนะประสานกันจากนั้นก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถไปถึงที่สุดทางโยกรมก็เวียนขวาก็ได้นะสุดแท้แต่ถนัดนะตามปกติจะเวียนขวาพระทักษิณเวียนขวาจากนั้นก็พุทโถพุทโถมาเส้นเก่านั่นแหละขาขวาพุทขาซ้ายโถมีสติ อยู่ในการก้าวเดินของตนเองเอจากนั้นจะเดินนานเท่าไหร่เอาจนเหนื่อยเพราะงั้นแต่จนเหนื่อยจากนั้นก่กอนที่จะออกจากสมาธิก็ประนมมือขึ้นถืขอขว้ครูซะก่อนจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและค่อยออกจากสมาธิที้มาพูดเกี่ยวกับทําไมครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ภาวนาบริกรรมกับก้าวเดินจะไม่เป็นการเหยียบย่ํำเอาพระพุทธเจ้า เอาพระธรรมพระสงค์หรือว่าสิ่งที่เรารเคารพมาอยู่กับเท้าของเรามันจะถูกต้องไหมแต่ตามไม่จริงเท้าก็ดีศีรษะก็ดีจะเป็นศีรษะก็ดีจะเป็นเท้าวกวดีใครให้สมมุติว่าเท้าต่ศาศีรษะสูงสศีรษะสูงเท้าต่าใครเป็นคนคิดใจของเราเป็นคนคิดให้สมมุติว่าเท้าต่อศีรษะสูง ศีษะก็ดีเท้าวกว็าดีเขาไม่ได้พูดว่าเขาสูงแลือเขาต่ําเราไปให้ความสําคัญเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ความสําคัญว่าเท้าต่ำตีนสูงถ้าเท่าว่ายกแต่ว่าศีรษะสูงอย่างเดียวเท้าต่ําถ้าตัดเท้าทิ้งนะ่ะเป็นยังไงจะเอาศีรษะเดินได้ไหมเดินไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่ฝา่าเท้าจนถึงศีรษะ มีคุณค่าเสมอกันีเ่เราในใจของเราว่ามีคุณค่าเสมอกันไม่มีอันไหนสูงอันไหนต่บเออถ้าว่าขาดตนใดต้นหนึ่งไปว่าคนนั้นขาดผิดปกติของการเป็นอยู่ของมนุษย์ใช่แล้วเพราะนั้นให้เราคิดอย่างนั้นใน ใ, นใจเพราะนั้นเราอย่าไปสงสยัยถ้าสงสัยอย่างนั้นเหมือนกับเป็นตออยู่ในจิตใน ใ, นใจของเรามันขวางอยู่อย่างนั้น่ะภาวนามันจะไม่สงบนะแต่ถ้าว่าพวกเรา ยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินแล้วนั่นแหละเท่นี่วันละกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยแต่นี่ว่านี่แหละกายกําหนดกายกําหนดเวทนาละ่ะทํำยังไงกําหนดเวทนาคือคือเรานั่งอยู่นสถานที่ใดเราปวดแข้งปวดขาขึ้นมาอย่างเนี้ยหรือว่าลมหายใจเข้าออกผ่านเป็นเวทนาทั้งนั้นเอหรือว่าหนาวร้อนยเป็นเวทนาทั้งนั้น เอาสติอยู่ที่เวทนาดูที่เวทนาการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นยังไงเจ็บปวดตรงไหนมีความรู้สึกที่ตรงไหนอันนั่นแหละคือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนามีอยู่สองนะเวทนากายหนึ่งเวทนาจิตเวทนากายก็คือการเจ็บป่วย เ, เจ็บปวดหิวกระหายหรือมีมะโรงมลงไตในร่างกายเราก็รู้ว่าเวทนา แต่เวทนาใจนั่นคือบางสิ่งบางอย่างเรามีความทุกข์ในจิตในใจออบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะได้เป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้แต่ม่เป็นไม่เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอันนี้ก็เวทนาทางจิตแล้วก็เป็นทุกข์จิตในเวทนามีอยู่สองเวทนากายเวทนาจิตอันนี้จิตตาโน ป, ปัสนาสติปัฏฐานคือกําหนดดูจิตจิตนึกคิดเรื่องอะไรเราก็ให้มีสติสัมปชัญญะในความนึกคิดในใจของเรา มันคิดผิดแล้วมันคิดถูกให้มีสติในการนึกคิดอันนี้ก็เรียกว่าจิตตานุ ป, ปัสสนสติปัฏฐานธรรมานุ ป, ปัสสนสติปัฏฐานก็คืออารมณ์ที่มากระทบในจิตของเราในใจของเราถ้ากระทบทางดีเรียกว่ากุศลถ้ากระทบไปในทางที่ชั่วแล้วอกุศลเราก็ให้สังเกตดูเหมือนกันการที่อารมณ์ที่มากระทบจิตเนี่ยอันนี้เราทาํปปามานุมาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน แล้วทีนี้เราจะภาวนาเนี่ยเราจะยึดสติปัฏฐานไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าท่านบอกว่ายึดกรรมรฐานไหนก็ได้จะ ก, กายก็ได้เวทนายก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้มันเหมือนกันเพราะว่ามันโยงใย ห, หากันเหมือนกับเราจับร่างแหอย่างนั้นอ่ะเพราะจะจับจอมก็ได้จะจับที่ไหนก็ไดึดงขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะว่ากําหนดกายใครเป็นคุณรู้ว่ากาย ใจเป็นคนรูああ้ไม่ใช่เหรอเวทนาก็เหมือนกันใครเป็นคนรู้ว่าเวทนาใจของเราเป็นคนรู้ไม่ใช่เหรอจิตตารุปชนาใครเป็นคนรู้จิตของเราเป็นคนรู้ไม่ใช่เหรอธรรมารมก็เหมือนกันใจของเราเป็นคนรู้ที่มันเกิดขึ้นมาธรรมารมเพราะนั้นเราจะภาวนาอันไหนก็ได้ในสติปัฏฐานสี่มันโยงใจหากันทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราอย่าสงสัยในสติปัฏฐานสี่นี่แหละ ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการภาวนานะแต่ทีนี้ในเมื่อพิจารณาจติตปฐานสีทำจิตใจให้สงบแล้วจะเดินวิปัสสนาอย่างไรอันนี้หลวงพ่อจะขอแนะนำเป็นพอพอเป็นแนวทางในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณากรรมาฐานห้นากรรมฐานหคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมโลมาขนนาาเลทันตาฟันตะโจหนัง คือร่างกายของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุใหม่ที่บวชในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายมีเวลาน้อยนะสอนเพียงแค่นี้ก็พอเพราะเป็นแนวทางนะแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายต่อไปให้ศึกษาให้รายละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเกสาผมลมากขนหนาเล็บทันตาฟันตะโจหนังจากนั้นก็สอนอย่างที่ว่ามังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตหัวใจใหญ่อาหารใหม่หารเก่า พิจารณาร่างกายให้แยกส่วนแบ่งส่วนถ้าเราจะพิจารณาให้แยกส่วนแบ่งส่วนก็เอาหลวงพ่อเคยแนะนำว่าถอนขนออกไว้กองหนึ่งถอดเล็บเอาไว้กองหนึ่งถอดฟันเอาไว้กองหนึ่งเกศาผมโลมาขนถอนขนถอนเล็บถอนฟันถลกหนังเอาไว้กองหนึ่งแล้วก็ชําแหละเนื้อเอาไว้กองหนึ่งาจากนั้น ก, กระดูกเป็นท่อน แล้วก็ตับลาไส้ปอดหัวใจเอ่กองไว้แต่ละกองละกองสามสิบสองอาการสามสิบสองคือสามสิบสองกองก็ให้ดูว่าดูซิว่าเนี่ยอันไหนเป็นของเราร่างกายเนี่ยเป็นของเราเออเราจะรู้ได้ว่าอันนั้นไม่ใช่ของเราคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปแล้วก็คือท่านให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเออย่าไปหลอกตนเอง ให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นจริงอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นนี่อยากนั้นก็พิจรารณาร่างกาย เ, เมื่อเห็นอันนั้นคือผมอันนั้นคือขนอันนั้นคือเล็บอันนั้นคือฟันอันนั้นคือหนังเอออาการสาสองของร่างกายแล้วใจของเราล่ะเออที่นี้มาพิจรารณาถึงใจลราได้ทีไหนเออเพราะเหตุเพราะเหตุอะเพราะการพิจรารณาจะเป็นอสุภะก็ดีพิจรารณาความตายก็ดีพิจรารณานร่างกาย ส่วนไหนก็ตามสรุปแล้วก็คือไม่ให้ใจหลงหลงร่างกายเพราะเหตุไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันหลงอะไรที่มันหลงทุกวันนี้หลงอะไรหลงร่างกายในพระพุทธเจ้าว่าหลงร่างกายมันคิดว่าร่างกายเป็นของเราแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะร่างกายไม่ใช่ของเรานะท่านทั้งหลายนะถึงพวกท่านทั้งหลายจะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงอาหารดีขนาดไหนดูแลสุขภาพ ใช้ยุกยาดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มตีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนบ้านที่อยู่อาศัยจะสวยหรูงามขนาดไหนให้ร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นคืออะไรคือไม่ให้มันแก่มันก็แก่พออยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวกับผมสีขาวไปทีไรเส้นสองเส้นก็ไนสุกัขาวไปทั้งศีสัน ตาก็เหมือนกันไม่ให้ฟ้าฟ้ามก็บฝ้าฝางหูไม่ให้มันตึงมันก็ตึงฟันไม่ให้มันหลุดมันก็หลุดนี่แหละพราะพระอาจารย์าร่างกายในถึงจะเลี้ยงขนาดไหนเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะพวกท่านทั้งหลายอย่าไปให้ความสําคัญในร่างกายจนเกินไปนะนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกพวกเราท้าในให้ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราทีนี้ขขขขร่างกายยังไม่ใช่ของเรายังเป็นอื่นอยู่แล้วสองอย่างอื่นเลยทีนี้ เงินคำทรัพสมบัติสิ่งอื่นลูกหลานสามีภรรยาญาติพี่น้องญาติโกโหติกาวัดปารศาสาศนาจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราเนี่นี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้ดูแต่ท้งนี้ทั้งนั้นพวกข้าพเจ้าเป็นคราวญญาติโยมจะพิจารณาอย่างนั้นได้ยังไงท่านพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะถามในใจหรือว่าอาจจะทาไม่ได้อาจจะต่อต้าน ในแมวความคิดที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อขอแนะนำบอกว่าอันนี้คือภาษาใจของตนเองให้คิดเป็นไว้ให้คิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองไม่ใช่ภาษาคาพูดถึงข้าพเจ้าจะดูแลรับผิดชอบขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดใช่ไหมใจข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดข้าพเจ้าเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่าง อย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เรารักเคารพนับถือต่างคนก็ต่างทอดทิ้งร่างกายของตนเองผลในสูว่วนนะั้เข้าไปสู่เมนมีตกะกั่ดดวยกันทั้งนั้นจริงหมายใจนี่แหละให้พวกเราถามใจในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วใจของเราเนี่ยคือตัวผู้รู้คือนามธรรมาตัวนี้แหละจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นมันวางที่ใจถึงเอ อ, อะไรก็ได้ เออมันจะโกรธใครมันก็จะไม่โกรธมากถ้ารักใครมันก็จะไม่รักมากเพราะเหตุใดเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปจากนั้นจิตใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลส น, นี่แหละอันนี้เือคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนพวดพุทธบริษัทยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้คือ สรุปแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมมีที่สิ้นสุดคือตัดกิเลสถึงพระนิพพานนี่แหละทำคำสอนที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าสัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพสังคาราทุก ข, ขาสัพเพธรรมาอานัตตาอัปปมาเดนะัมปาเดทาติ สัพเพสังขาราอเนจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถึงจะเป็นร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงถึงจะเป็นวัดวิาศาสนาสารากุติก็มีความผุพังไม่เที่ยงรถราสิ่งไหนก็ตามภาชนะน้อยใหญ่ที่เราใช้พร้อมที่จะแตกสลายลงได้ทั้งนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทวันนั้นคือสัพเพสังขาราทุกข์ขา สังขารทั้งหลายสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และก็ปัดมวลแล้วว่าสัปเปธธรรมาคึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูว่าร่างกายทุกส่วนนั่นแหละอาการสามบสองไม่ใช่ตัวตนของเรานะจะต้องปล่อยจะต้องวางจะต้องทิ้งทนะั้งหมดเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่านงะอัปมาเดนะซัมปาเดธาตนะิพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้พร้อมให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอร่างกายสังขารนี้อีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินแล้วก็พร้อมกันตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพนั่นะนี่แหละอันนี้แหละคือพวกเราให้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็เมื่อเราค้นคว้าศึกษา ตามแนวแถวของพุทธะแล้วพวกเราจะมีมีสติมีปัญญามีความรอบครอบอย่างมากในจิตในใจต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรามีอายุสูงขึ้นเออเมื่อเท่าแก่ชลานะเราก็จะรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นลูกหลานเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเออลูกหลาน เกิดหมาใหญ่ที่หลังข้าก็ใช้กรรมของข้าสู้เจ้าเกิดมากก็ใช้กรรมต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเรานะแต่สู้เจ้าต้องเป็นคนดีนะลูกหลานเนอข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเหมือนกันสิ่งไหนที่มันดีข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งนั้นฮ่อันนี้คือคิดในใจนะเนี่ยวันนี้หลวงอาตมาภาพได้กล่าวเบื้องต้นได้แนะนําหลวงปู่ของพวกเรา เป็นบุคคลเป็นตัวอย่างคือคือท่านต้องการความสงบฟังแต่นามฉายาของท่านเลยหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมคือสันติธรรมคือต้องการความสงบเป็นพื้นฐานจากนั้นก็ความกตันยุ ก, กะตะเวทิตาจงรักภักดี ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ต่อแผ่นดินคือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ต่อโยมบิดามมรดาของท่านต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้เข้าไปศึกษาอันนี้ก็คือหลวงปู่ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีจากนั้นก็อาตมาภาพได้บอกกล่าวเรื่องความพร้อมเพียงสมัมคีของสงฆ์ของประเทศชาติพวกเราอยู่ในกลุ่มใดคณะใดอยู่ในครอบครัวใดอยู่ในวงการใดอย่ายินดีในความในการแตกแยกสมัมคีทำไปแตกแยกสมัมคี ก, กันก็เหมือนประนก จีบหายทั้งฝูงแต่ถ้าผูดด้ใดก็าตามถ้ามีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเหมือนกับหมีกับไม้ชะเคาะนั่นะมีแต่ความจิบหายจะได้ทางด้านจิตใจกระผมและอาตมาภาพก็ได้พูดว่าให้พวกเราพิจรารณาจะทำจิตใจยังไงจึงจะเป็นสมาธิกนิกาอุปจาระอ ป, ปนาสมาธิจากนั้นวิธีการเดินปัญญาเดินอย่างไร ให้พิจารณาอะไรให้พิจารณาร่างกายสังขารเกษาผมหลกมาขนหน้าขาเละทันตาฟันตะโจหนังจากนั้นให้ดูที่จิตใจธรรมะทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปล่อยวางในความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นคนํานี้เราเป็นคารวาสเราจะปล่อย กิจการงานไม่ดูแลไ ม, ไม่ไม่ดูไม่แลเลยอันนั้นไม่ถูกต้องในเมื่อเราเป็นคารวัตเราก็ทําหน้าที่ให้ถูกต้องที่สุดในหน้าที่แต่ว่าในจิตในใจของพวกเราเนะี่ยเมื่อเรามานั่งสมาธิเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์มานั่งสัมผัสเราก็มาสอนใจเลยเราเอ้ยถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็เธอนะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะอย่าลืมอย่าหลงจนเกินไปนะ แต่ว่าทางนอกข้าพเจ้าจะทำให้ถูกต้องให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่การงานแต่ในส่วนในจิตใจของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะปล่อยวาง น, น่ถ้าว่าคนใดมีธรรมในใจอย่างนี้ถึงจะบริหารราชการงานเมืองหรือบริหารบริษัททางร้านถึงจะอยู่กับพี่กับน้องกับวงศาค้านายากับผู้ใดก็าตาม จะหาความทะเลาะพิวาทไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะคิดถึงความตายตัวเองอยู่เสมอถ้าคนที่ไม่คิดถึงความตายของตนเองอยู่เสม อ, อนั่นแหละมันจะลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วก็ลืมตัวแล้วก็ลืมพี่ลืมน้องลืมวงสาขนาญาติไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำกัดดักไปหมดเลยเพราะเหไรเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายนะถ้าคิดว่าตัวเองจะตายแล้วนั่นแหละจะรู้เท่ารู้ทันจะวางตัวยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมในการที่เป็นอยู่น เพราะนั้นขอให้พวกเราใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องกากับจิตใจของพวกเราไปอยู่นัสถานที่ใดอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความสงบพรมเย็นเป็นจุกการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองและก บ, บุญบา ร, รมีของหลวงปู่ฟักของเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ขอให้บุญบา ร, รมีของท่านคุ้มครองลูกหลานทุกๆคนขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกประการเทิน